ภิกษุณีผู้เป็นเอตทักคะจําจนวน13รูปแสดงประวัติตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งความปรารถนาการบําเพ็ญบารมีจนถึงพบชาติสุดท้ายที่ได้บรรลุพระอรหันต์เป็นภิกษุณีมหาสาวิกา 2. ภิกษุณีที่ไม่ได้เป็นเอตทักคะจําจนวน27รูปแสดงประวัติเฉพาะพบชาติสุดท้ายคือปัจจุบันชาติ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 นับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตสี่ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องปภาวณาในสงฆ์สองฝ่ายโดยสถานที่สามคือโดยได้เห็นหนึ่งโดยได้ยินหนึ่งหรือโดยรังเกียจหนึ่งทาแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตห้า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 พระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับครุธรรมแปเป็นภิกษุณีรูปแรกท่านพระอนนท์ทำความเข้าใจคารุธรรม8ปประการแล้วออกไปพบพระนางชี้แจงว่าถ้าพระนางยอมรับครุธรรม8ทํทำทั้ง8ดนั่นแหละจะเป็นการอุปสมบทของพระนางจากนั้นก็แสดงครุธรรม8ปประการให้ทรงสดับจบแล้วพระนางตรัสว่า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 เราบัญญัติครุธรรมแปดประการแก่ภิกษุณีเพื่อไม่ให้ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิตฉันนั้นเหมือนกันอัิกถาทีบายว่าหากยังไม่ได้ทรงบัญญัติครุธรรมแปดประการพระสัทธรมจะตั้งอยู่ได้500รอปีแต่เมื่อบัญญัติครุธรรมแปดประการจึงทำให้พระสัทธรมตั้งอยู่ได้อีก500ปีรวมแล้ว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 หนึ่นปีที่สามมุ่งถึงความมีอยู่ของพระอนาคามีหนึ0พปีที่สมุ่งถึงความมีอยู่ของพระสกทาคาเมีหนึ่งพันปีที่หมุ่งถึงพระโสดาบันรวมความว่าในช่วงเวลาห้าพันปียังมีผู้บรร ล, ลุอริยมรรคอริยผลอยู่แม้พระปริยติธรรมก็ทรงดำรงอยู่ 5,000 ันปีเหมือนกัน